ขึ้นชื่อว่าข้าวไทยนะไม่มีพันไหนนะที่โดดเด่นเป็นที่หนึ่งนะเท่ากับข้าวหอมมะลินะเป็นพันข้าวที่คนนิยมมากราคาดีแล้วก็เป็นที่ต้องการนะของเรีวหาทั่วโลกก็ว่าได้จนมีหลายประเทศนี่ก็พยายามเลียนแบบหรือคัดลอกสายพัน อันนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ไทยนะเขาพยายามศึกษาว่ากลิ่นหอมมะ ล, ลิเนี่ยมีความพิเศษเพราะอะไรแน่นอนนนะความพิเศษคือกลิ่นหอมแล้วก็ศึกษาว่าเนี่ยกลิ่นหอมนี่มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องศึกษาลงไปถึงยีนเลยนะนะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ย ยีนเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดลักษณะคุณสมบัตนะิของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งคนเขาก็ถามว่ายีนตัวไหนที่ทำให้ข้าวหอมไปเลยเนี่ยนะมีกลิ่นหอมหใช้เวลานานนะสุดท้ายก็พบนะพบยีนตัวหนึ่งนะแต่ที่เขาแปลกใจคือยีนที่ว่าเนี่ยมันเป็นยีนที่ผิดปกติ ไม่สมประกอบนะไม่เหมือนกับยีนอื่นๆนะมันไม่สามารถจะทําหน้าที่หลายอย่างตามปกติเหมือนกับยีนชนิดอื่น ๆ, ๆหรือเหมือนกับยีนในข้าวพันธุ์ชนิดอื่นๆๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ประหลาดใจพู้ง่ายคือมันเป็นยีนที่ป่วยนะไม่สมประกอบทีแล้วเขาคิดว่ากลิ่นหอมเนี่ยมันจะมาจากยีนที่พิเศษปรากฏว่าไม่ใช่นะ เป็นยีน <te le> ที่ผิดปกติเป็นยีน <te le> ที่ไม่สมประกอบแต่ข้อดีคือมันสามารถจะเปลี่ยนสารพิษที่สะสมในเม็ดข้าวเนี่ยให้กลายเป็นกลิ่นหอมไดออ้นี่คือความพิเศษของมันยีนปกติทำไม่ได้นะแต่ยีน <te le> ที่ไม่ปกติในข้าวหอมมะลินี่มันทำได้สารพิษเนี่ยซึ่งสะสมในเมล็ดข้าวนี่มันสามารถจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสารหอมได้ เพราะว่ายีนที่เปียกติเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะว่าความผิดปกติเนี่ยความไม่สมประกอบนี่มันก็มีประโยชน์นะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นโทษอย่างเดียวหรือไม่ว่าจะเป็นความพร่องอย่างเดียวจริงๆในคนเราก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยก็มีคนหลายคนก็มีความผิดปกติบางอย่าง อย่างเช่นเอาเรื่องความผิดปกติทางสมองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กหลายคนผู้ใหญ่จําจนวนมากเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นโรคนะเป็นโรคออทิสติก <c oughs> ออทิสติกเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะระดับอ่อนๆก็เรียกว่าแอสเพอร์เกอร์ใครที่มีโรคเนี่ยหรือความผิดปกติแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตหรือมีพฤติกรรมเหมือนคนทั่วไปได้ พ่อแม่หลายคนถ้ามีลูกที่เป็นออทิสติกหรือแอสเพอร์เกอร์นี่มีความทุกข์นะพอรู้สึกว่าลูกของตัวเองเนี่ยไม่ปกติไม่สมประกอบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรแต่ที่จริงเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างนะอย่างเช่นก็พบว่าคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจออนไลน์พวกโปรแกรมเมอร์ หรือแมก้กระทั่งซักกระเบิร์กเนี่ยซากกระเบิร์กนี่ก็เป็นคนคิดค้นเฟซบุ๊กพวกที่คิดค้นเทคโนโลยีอะไรที่เด่นดังในเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยจํานวนมากนะมีความผิดปกติทางสมองอย่างที่เรียกว่าเป็นออทิสติกอ่อนๆหรือแอสเพอร์เกอร์ซากกระเบิร์กเนี่ยคนหนึ่งแล้ว เขาจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะเวลาใครพูดด้วยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรือไม่ค่อยมีปฏิกิริยาตอบสนองแต่คนเหล่านี้เนี่ยมีจุดเด่นนะตรงที่ว่าสนใจเรื่องตัวเลขสนใจหมุนบุนอยู่กับอะไรที่มันซ้ำๆคนธรรมดานี่ถ้าเจออะไรซ้ำๆเนี่ยนะเบื่อยิ่งถ้าเจอเรื่องตัวเลขแล้วเนี่ยโอ้ยหันหลังให้เลยแต่คนที่เป็นออทิสติกอ่อนแอสเปกเกอร์นี่ ชอบทีเดียวนะสนใจหมกมุ่นกับเรื่องตัวเลขแล้วก็สนใจกับเรื่องเฉพาะเจาะจงแคบแคบให้ก็ทําอะไรที่มันมีกําหนดนะมีขอบเขตที่สั้นๆอ้าวขอบขอบเขตที่แคนะบแคบนะเฉพาะเจาะจงชัดเจนนี่เขจะทําได้แม้มันจะเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อซ้ําๆในสายตาหรือความรูสึกขงคนหลายคน เพราะนั้นเนี่ยโปรแกรมเมอร์เก่งๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีรายได้ดีนะจำนวนมากนี่เป็นพวกออทิสติกอ่อนออนแอสเพอร์เกอร์อันนี้เราไปถึงผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ด้วยนะเดี๋ยวนี้ธุรกิจออนไลน์นี่มันมีมากนะแล้วก็ร่ำรวยไม่รู้เรื่องเลย รวมนักธุรกิจอื่นๆด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจำนวนมากเลยนะบางทีอาจจะถึงหนึ่งในสามนะที่เก่งๆเนี่ยเป็นพวกแอสเพอร์เกอร์ก็คือออทิสติกอ่อนๆความปกติทางสมองอีกอย่างเนี่ยคือ ม, มีปัญหาความบกพร่องในการอ่านหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยลำบากนะไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจนะแต่ว่าสมองเขา มันไม่สามารถจะทำงานได้ปกติเวลาอ่านหนังสือแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาก็สามารถประสบความสำเร็จนะในอาชีพการงานในธุรกิจเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยพอเขารู้บอกข้อบอกพร่องของตัวเองเนี่ยรู้จุดรู้จุดอ่อนเนี่ยก็จะพยายามทางานที่เหมาะกับความสามารถของตัว หลายคนเนี่ยเป็นนักบริหารชื่อดังมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขารู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาความบกพร่องในการอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะมอบหมายงานให้คนอื่นทําแทนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ฉันไม่ทำํำมอบหมายคนอื่นทําก็เลยเป็นคนฉลาดในการใช้คนพอฉลาดในการใช้คนก็สามารถจะมาเป็นผู้บริหารได้ แล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรที่ต้องใช้การค้นคว้านะต้องอ่านมากๆนี้จะไม่ทำแต่ว่าคิดเอาแทนนะคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็เกิดไอเดียต่างมากมายโดยที่ไม่จะเป็นต้องอ่านมากมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังคนนึงนะได้รางวัลโนเบลเนะี่ยโอ้ดังมากเนะเมื่อสักเกือบร้อยปีที่แล้วพอวดีรักเนี่ยนะเป็น อัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์เลยด้านวิยาศาสตร์โดยเพราะด้านคนต้มแมคคนิกเขาบอกเนี่ยเขาไม่เคยอ่านหนังสือเลยเพราะการอ่านมันทําให้เขาเนี่ยคิดอะไรลําบากนะไม่อ่านหนังสือนะแต่ว่าคิดเก่งมากในเรื่องคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เขาคิดหรือสูตรนี่ก็เรียกว่าน่าทึ่งมากนี่น่าสนใจบอกเขาไม่อ่านหนังสือนะเพราะว่ามันทําให้เขาไม่สามารถจะคิดได้เต็มที่ ผู้งานคือเสียเวลาคิดนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะเขามีความบกพร่องทางสมองบางอย่างก็ได้นะแต่ว่ามันกลายเป็นจุดเด่นไปจุดด้อยบางทีเนี่ยถ้าใช้เป็นก็กลายเป็นจุดเด่นเช่นเดียวกันนะคนที่สมาธิสั้นเนีย่ยทีนี้เด็กเป็นเยอะนะผู้ใหญ่ก็เป็นมากสมาธิสัน้นแต่คนเหล่านี้ก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจได้นะเพราะอะไรเพราะว่า เขาจะชอบคิดค้นวิธีการที่รวดเร็วนะอะไรที่มันเยินเยอะเนี่ยเขาไม่มีสมาธิพอเขาก็เลยพยายามคิดหาวิธีที่มันทำให้ได้ผลเร็วๆนะเราะะนั้นก็เลยเก่งในการหาทางลัดที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากหรือไม่ต้องใช้สมาธิยาวนานแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้าได้กล้าเสียมันก็เหมาะกับ การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันหรือเหมาะการบริหารกิจการเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลนะพวกสตาร์ทอัพต่างๆที่ร่ำรวยกันเป็นแทวเนี่ยในเวลานี้เนี่ยก็เพราะฝีมือคนเหล่านี้ไม่ไม่น้อยนะยังใครที่มีลูกนะที่เป็น asperger autistic สมาธิสั้นมีความบกพร่องในการอ่านพวกนี้เนี่ยอย่าไปกลุ่มอกกุ้มใจมากเพราะว่า ความได้อของลูกเราเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นจุดเด่นได้ก็เหมือนกับไอยีนที่ผิดปกตินะมันก็สามารถทําให้ข้าวหอมมะลินี่กลายเป็นข้าวที่มีราคามีคุณภาพและเป็นที่นิยมได้เรียกว่าความด้เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นความเด่นได้หรือเป็นประโยชน์ได้เหมือนกัน